คืพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธเจ้าอาศัยพระตัตนตใจนี้แล้วจึงค้นจากทุกทุกข์ทวงได้นี่เป็นคำที่เราสมาทานที่เราแสดงตนเป็นพุทธมามากะแต่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าพระัตนาใจคืออะไรก็รู้แต่เพียงว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าบางคนก็นจะเข้าใจว่าคือเจ้าฟ้าชายสิทธัตถะลูกของพระเจ้าสุโธทนะออกบวชจากเรือนประพฤติปฏิบัติจนได้พัจจุบักตัสงสอนคนอยู่ในประเทศอินเดียแล้วก็ป ร, ริญิาผานไปแล้ว 2,537 ปีะนั่นก็ถูกอยู่ ถกอยู่คตธรรมก็คือาาคำลาคำสั่งคำสอนที่เขียนไว้ในหนังสือในคำพีนั่นก็ถูกอยู่ประสงค์ก็คือผู้ที่ออกบวชจากเรือนคนผมผมผ้าเหลืองก็ อ, อยู่ตามวัดในวัดปฏิบัติ นั่นก็ถูกอยู่ทีนี้ถ้าเป็นที่พึ่งจริงๆเราจะไปพึ่งพระสงที่อยู่ในวัดวาอาามแตพึ่งตำลาอยู่ในที่เขียนไว้ในคมภีในตำลาจะไปพึ่งพระพุทธเจ้าต้องปริญพญาไปแล้วสองกันห้าร้อยสามสิบเจปีเราค่ายกรว่าเราอ้อนวอนขอร้อง ให้พระพุทเจ้ามาคุ้มครองให้พระธรร ม, มาคุ้มครองให้ประสงค์มาคุ้มครองป้องกันหลักษ า, าเหล่าแต่จากนั้นมันก็ไกลเกินไปอาจจะถูกถูกบ้างแต่ว่าไม่ถูกทั้งหมอกแต่จากนั้นมันก็ไกลตัวเราเกินไปที่นี่ถ้าเราม า, ม, ามีจะเอาคน ว่าข้าพเจ้าอาศัยพระธรรมกายเพื่อผนจะทุกข์ทั้งปวงได้อาศัยอย่างไรอาศัยพระพุทธการทำประสงค์อาศัยอย่างไรนั่นกับว่าพระพุทธเจ้าเป็นผีตัวหนึ่งเลยออนวอนขอร้องนะมันก็ไม่ถูกแต่ดีอยู่แต่ดีมันยังดีดีกว่าดีที่สุดสมมแติว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอาจจะไม่ใช่เจ้าฝ้ายชายสิทธัตถะ ที่ออกบวชได้ตัดสลูเป็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระพุทธเจ้าตัวปลอมที่ค้นพบเป็นผู้ที่คนพบพระธรรมพระธรรมทําให้เป็นพุทธเจ้าขึ้นมาพระสงฆ์ก็คือพระธรรมที่รู้พระธรรมเทียนพระธรรมจึงค้นจักทุกข์อย่างพระพุทธเจ้าองค์เคยตัดกับภวักกิภิะวักกินี่ยเป็นหนู เป็นหนูไปเห็นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ <c oughs> ก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสรักพระพุทธเจ้าเคารพพระพุทธเจ้าเห็นผลลูกของพระพุทธเจ้างดงามอาจจะเป็นธรรมดากษตรจเจ้าแผ่นดินธรรมดาก็ต้องมีลักษณะงดงามสกอันสันธานถูกต้องตาม ลักษณะสามสิบสองประการก็กินแต่ว่ากะลีก็หลงในพระลูกของพระองค์อันนั้นตันทีสุดก็มีความสุขก็ได้ดูพระลูกขององค์จับายชีวอนเห็นอยู่มือเนี่ยวเท้า <c oughs> มีความสุขมันกระหน่มสาวรักกันด้เห็นหน้าพระพุทธเจ้าก็มีความสุขตัดสินใจบวชเพื่อจะได้ดูพระองค์พระลกูกพระพุทธเจ้าเห็นพระหนุ่มโลกนี้ หลงเสร็จแล้วในกว่านี่คือลูกคึอพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าอันนี้พระพุทธเจ้าตัวปลอมพระพุทธเจ้าตัวจริงคือธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราพระวอกคือก็รัวโอ้พระพุทธเจ้าตัวปลอมอยังขนาดนี้พระพุทธเจ้าตัวจริงขนาดไหนจะงามขนาดไหน เจ้าก็บอกให้ศึกษาปฏิบัติศึกษาปฏิบัติมีสติมีสมาธิเนี่มีความรู้สึกตัวดูตัวเองจนในที่สุดปวกลิก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าตัวจริงคือเห็นธรรมอรธรรมอรธรรมก็มีมากมายเป็นประธรรมคําสอนนี่ตั้งแปดหมื่นสี่พันเรื่องแปดหมื่นสี่พันเรื่อง ก็ไม่ใช่อยู่ที่อื่นก็อยู่ในตัวของเราหนะ่งอยู่ในกายอันกว่างสอบกาวานาคืออันคนที่ยังเป็นเป็นคนที่มีชีวิตอยู่แม้แต่พระสงฆ์ก็เหมือนกันพระสงฆ์นี่ยเราก็ไปเข้าใจว่าเป็นลูกชาวบ้านที่ออกบวชจากเรือนนุ่งผมชีบอนสีเหลืองอยู่ตามบ้าก้นผม <c oughs> นั่นก็ถูกอยู่ดังโบราณท่านว่า <c oughs> ไหว้พระพุธจะให้ถูกทองคำไหว้พระธรรมจะให้ถูกตําลากคำทีไหว้พระสงฆ์จะให้ถูกแต่ลูกแต่หลานถูกก็หลักถ้าเราไปไหว้พระพุธไปไหว้พุทธลูกทุกวันเนยเป็นลูกแทนของพระพุทธเจา้าไม่จะไม่ให้ถูกทองคำจะไหว้อย่างไรคนทุกวันเนี่ยก็ไหว้ มองพระพุทธลูวไหวคิดว่าพระพุทธูปจะช่วยเราอ่อนวอนถึงจิดทองจิตเลยฟงสวงขอหนมกนุกหนมลอะไรต่างๆคิดไปทางโน้นจะพยายามหน้ามันถูกทองคำถูกดุนถูกอิดถูกปูนถูกหินรานทั้งวันให้มันกายไปกว่านั้นดีพรพุทธพระพุทธเจ้า อะไรที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าคือคุณ <c oughs> คุณคนนุณธรรมคือธรรมะนั่นแหละดังคนของพุทธเจ้ามีอะไรบ้างดังในคำภีร์ตํำลาพุทธเจ้าก็มีคุณลักษณะอยู่ย่อยๆมีอยู่สี่อย่างคือเมตตาที่คุณกรุณาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุณนี่่เป็นคุณที่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าว่าโดยย่อๆ เมตตาที่คนก็คือมีความเมตตาสงสารเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ไพศารลรักทุกสิ่งทุกอย่างเป็นยอดของนักรักรักชีวิตรักทรัพย์สิสงรักทุกอย่างเมตตาสงสารทุกสิ่งทุกอย่างตนหน่อยอะไรต่งตางๆที่เกิดมาร่วมโลกไม่เบียดเบียนมีความรักมีความเมตตาที่คนกว้างใหญ่ไพศาลเป็นอัปะมัญญา ไม่ใช่รักตูกรักเมื้รักกอดรักแม่รักญาติพี่น้องอะไรต่างๆรักไม่มีขอบเขตในเมตตาเมตตาของพระพุทธเจา้าไม่มีขอบเขตจนไม่เบียดเบียนอะไรทั้งหมดไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นแล้วก็ยังเพียงไม่เบียดเบียนแล้วก็ยังไม่ขอพ่อพยายามสั่งสอนคนอื่น พุ่มคลองสัตว์ตื่นี่อื่นไม่ให้เบียดเบียนช่วยกันบอกกันไม่ให้เบียดเบียนวิธีใดที่จะไม่ให้สัตว์ตื่นิอื่นเบียดเบียนกันก็พยายามใช้ชีวิตสั่งสอนบอกห้ามสอนให้รู้สอนให้เห็นอกเห็นใจให้ในความกรุณาเมตตาปานี้นี่เมตตาทีุ่ณมีเป็นคนนั้นน่งมีมากไม่สามารถที่จะพูดทั้งหมดได้ ก็มากมายคําว่าอัปปามัญญาเมตตาที่กว้างใหญ่ไพศาลมีทุกแง่ทุกมุมกรุณาที่คุณก็คือความกรุณาความกรุณานี่ไม่ใช่คิดนะต้องเข้าไปช่วยเหลือตามฐานะตามความสามารถในอะไรที่พอช่วยเหลือได้ช่วยเหลือไม่ใช่คิดเฉยเฉยช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่าง บางทีก็ใช่คำพูดบางทีก็ใช่การกระทาบางทีช่วยเองไม่ได้ไปใช่คนอื่นไปช่วยกันบอกกันสอนกันช่วยกันลงมือทำจริงๆทูดออกไปจริงๆแสดงออกไปจริงๆศิลปะจริงๆแรงกายแรงสติปัญญาแรงชักอะไรต่างๆที่พอช่วยได้ตามฐานะเนี่ย ไม่ใช่เมตตากรุณาเราก็ น, นั่งคิดเฉยๆแต่เมตตาสัจเจสตาจัดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดจก่เกิตายในแต่ว่าแต่ป่ามันม่ยังไม่ถูกไม่ใช่เมตตาที่คุณไม่ใช่กรุณาที่คุณเมตตาที่คุณกรุณาที่คุณต้องทำลงไปจริงๆอย่างน้อยก็ต้องในตัวเราจะคิดสิ่งใดให้ประกอบไปด้วยเมตตา จะพูดชิมใดก็ให้ประกอบไปด้วยเมตตาจะทำสิ่งใดก็ต้องประกอบไปด้วยเมตตานะในตัวของเราก็มาอนกแล้วก็ประกาศให้คนอื่นคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้พูดอย่างนี้นโกรนณาที่คณช่วยจริงๆได้สั่งได้สอนเช่นไปช่วยองคุริมานเสี่ยงเท่าไหร่วันนั้นเขาจะจับองคุริมานแล้วเขาจะฆ่าแล้วเมื่อเขาจะฆ่าองคุริมาน ก็คิดไปอีกว่าแม่ขององคุริมานพ่อขององค์คุริมานก็ต้องรักลูกอาจจะต้องไปบอกพ่าองค์ุริมานอยู่นี่เดี๋ยวผงไปบอกลูกว่าแม่แม่อาจจะไปบอกลูกว่าให้ลูกระวังตัวเขาจะมาฆ่าเจ้าหนีไปจ้าแม่ก็ต้องคิดเรื่องนี้่ต้องไปบอกลูกเมื่อแม่ไปบอกลูกลูกขนานั่นก็อาจจะจําแม่ไม่ได้ มันหลงมากๆก็อาจจะฆ่าแน่ตายซนะพระเจ้าก็คิดคิดไม่ใช่คิดเฉยๆก็ไปจริงๆไปหาองคุลิมารก่อนแม่ขององคุลิมารกอไปถึงองคุลิมาก็ไล่ฆ่าจับดาบ็นไล่ปั่นบางครั้งที่องค์ลิมารจะไล่อยู่นั้น่ะพระเจ้าก็ยังมีเมตตาที่คุณกรุณาที่สุดยังคิดไปช่วยอยู่ ขอคุยมานก็เรียกวหยุดหยุดพระเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วเราหยุดแล้วหยุดอะไรยังวิ่งอยู่พระเจ้าบอกหยุดการทําชั่วหยุดการเบียดเบียนเธอที่ยังไม่หยุดยังเบียดเบียนยัง่าสยังประหารเธอยังไม่หยุดแต่เราหยุดแล้วไม่ที่สุดตรงคุยมานได้สติขึ้นมาได้สติขึ้นมา วางดาบทิ้งลงไปก้มลงกราบพระพุทธเจ้าในที่สุดพระพุทธเจ้าก็โกรองคุริมานก็หายะยดช่วยเสี่ยงเท่าไหร่เสียเท่าไหร่เท่านี้เลยว่าไม่ใช่ว่าเก่ป่าสัพว์สัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์คเคยเจ็เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จะได้ปปบำบัิจะได้เบียดเียนจงมีความสุขกายสุดใลยรักษาตนให้คนจากทุกข์ไปทั้งสิน้นเถินพูดเท่านี้ยังไม่พอต้องแสดงออกต้องกระทำนี่คุณของพูติเจ้าเมตตาที่คุณกรุณาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณทำจริงใดลงไปด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่เรียกร้องไม่ใช่เพื่อตัวเราไม่ใช่เพื่อตัว ต, วตน เป็นการเสียสละด้วยความบริสุทธิ์ไม่เรียกร้องไม่มีค่าไม่มีค่าอะไรสำหรับที่จะตอบแทนทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีอาคติใดๆแอบแฝงเป็นเบื้องหน้าและเบื้องหลังด้วยความบริสุทธิ์พูดสิ่งใดบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีเจตนาล้ายทำสิ่งใดคิดสิ่งใดมีแต่ความเมตตาตหนาปั่นบริสุทธิ์ที่คุณ ด้วยความบริสุทธิ์เดี๋ยวนี้คนเราทำสิ่งใดก็เรียกร้องนะตักบาทก็โนโนไปสวรรค์นิพพานเสียอะไรนิดหน่อยก็โนดเพื่อจะเอามันไม่ใช่จาคะจาคะคคือเสียสละเพื่อให้ทำลายความโกรธความโลภความหลงให้มันหมดไปไม่ให้มีเห็นไม่ให้มีความเห็นแต่ตัวให้มันหมดไปเสียสละจาคะ ไม่ใช่เอาทั้งเสียสละภายนอกและเสียสลัภายในภายนอกก็คือมีปัจจัยเทฐานเจ้าสินข้าว น, นามพราะฉะนั้อาหารเครื่องนงองหอบเสียสละบออกไปที่เป็นวัตถุแต่ใ จ, ใจเป็นผลลัพธ์คือมันไม่มีความกันหนี่คำเสียงใดเสียสลับวัตถุเสียงใดเอาไปใจมันดีใจมันดีมันไม่เหมือนกับเอาถ้าเอาเลยมันมันเหงดแท่งถ้าให้มันสมดุลมันสมบูรณ์ มันมั่งมีมันไม่ขาดแคลนให้ว่าทานเสียสละด้วยความบริสุทธิ์พูดสิงใดทำสิงใดคิดสิ่งใดเ ส, ส, สียสละมีวัตถุบางนำมาทำบ้างภายนอกภายในที่จริงมันต้องเสียสละภายในก่อนก่อนคนจะให้อะไรต้องใจให้ก่อนท้งชาติยอมที่ไปทำบุญให้ทานแล้วาศีนใจมันคิดก่อน พอใจมันขึ้นมาตื่นขึ้นมาของข้าวของปลาทำอาหารรีบถือไปกายมันก็เลยไปนัใจมันเสียสละมันให้แล้วแต่ว่ามันยังหลงบางทีมันก็หลงพอพูดที่แล้วพอให้พอให้เป็นอย่างนั้นพอให้เป็นอย่างนี้มันก็เลยหลงไปมันก็เลยจะเอาจะแรกเราก็เสียสละดีเด็กสิแท้เรจะทําลายแต่เนี่ยความโลภความโกรธความหลงนี่แหละ มีจาระสละอารมณ์เนา่าสละความตันนีสละความเห็นเจตตัวโซริเจา้าก็เดี๋ยวบริสุทธิ์ที่คุณมีคุณธรรมอันนี้ตลอดทั้งปัญญาที่คุณลูกจากมีปัญญายกตนออกจากทุกปัญญาออกจากทุกนะไม่ใช่ปัญญาแบบโลกโลกเป็นปัญญา ไม่ใช่ปัญญาแบบเศรษฐกิจมีไอคีไม่ใช่อย่างนั้นนะปัญญาแบบไอคีนะครับจะอาจาอาจะเห็นแก่ตัวมากอาจจะ ก, กอบโกยาจะหล อ, อกลวงอาจะปิดบังอำพรางปัญญาแบบพุทธพุทธปัญญาเนี่เป็นปัญญาพระพุทธเจ้านี่ยเป็นปัญญาที่เสียสละเป็นปัญญาที่ออกจากทุกข์ช่วยตัวเองออกจากทุกข์คนขวยที่ไม่ให้ทุกข์เกิดระงับดับทุกข์เป็นสิ่งใดที่ทําให้เกิดทุกขละ งดเว้นตั้งตัวเองได้ช่วยคนอื่นบอกคนอื่นสอนคนอื่นให้รู้ให้เห็นเรื่องนี้อะไรที่มันเกิดทุกข์ขันทั้งหาเป็นทุกขุปทานขันทั้งหาเป็นทุกขความยึดมั่นถือมันเป็นทุกขพระเจ้ามีปัญญาไม่ให้ทุกขเกิดหนีจากทุกขเป็นจนไม่มีทุกขออกจากทุกขได้เด็ดขาดแล้วสอนคนอื่นให้รู้จากออกจากทุกขได้หรืว่า สัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธโพนี่เป็นคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีคุณอย่างนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าถ้าคนนุณอันนี้มีอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่เราก็ได้เอามาไหวในเราเอามาไห้ในตัวเราในกายในจิตชีวิตจิตใจของเราเรามีคุณอย่างนี้เราจึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ อะไรียว่าพ <talk> <way> oh, ุทธังสนังคาฉานี้เรามีคุณแบบนี้เราจึงพ้นจากทุกขั้งปวงได้ไม่มีทุกข์เลยโอ้อันนี้เป็นที่พึ่งพึ่งได้จริงๆริงถ้าเรามีธรรมอย่างนี้เราก็พึ่งเราได้แล้วัะคนอื่นก็อาจจะพึ่งเราได้นะถ้าคนมีคุณธรรมอย่างนี้นะสามีมีคุณธรรมอย่างนี้ปัญญาก็พึ่งได้ปัญญามีคุณธรรมอย่างนี้สามีก็พึ่งได้ลูกมีคุณธรรมอย่างนี้พ่อแม่ก็พึ่งได้ พอแม่มีคุณธรรมอย่างนี้ลูกก็พึงได้คนในโลกมีคุณธรรมอย่างนี้โลกก็สงบร่มเย็นนี่มันไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่ไหนหรอกบุตถคือตัวรู้ตัวตื่นตัวเบิกบานนี่แหละอะไรรู้อะไรตื่นอะไรเบิกานในตัวเรานี่แล้วอย่ามืดอย่ามัวอย่าหลงงมงายให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบานจิตใจนี่ให้เบิ ก, บ ใ, ใ, หบกให้บานอย่าเศร้าโศกอย่าริต ก, กงังวล ลูต้ตื่นตื่นหนีออกจากทุกข์อย่าโง่หลงอย่าหลับอย่าไหลอย่าให้ความทุกข์ความโกรธนอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนเสียสละตว่าจาคะก็คือเสียสละอารมณ์เน่าที่มันจะเป็นทุกข์นั่นแหละอย่าให้มันมีอย่าให้มันเกิดขึ้นนั่นแหละมีปัญญาที่คุณนั่นแหะมันก็อยู่กับเรานี่เรียกว่าว่ายพระพุทธมใม่ถูกทองคำว่ายพระธรรมไม้ถูกตำราใบลานนั่นะ พัทธธรรมไม่ใช่อยู่ในตำราเลยเช่นความรู้สึกตัวนะ่ะเช่นระเรียนนักธรรมชั้นตรีรนักเตียนนักธรรมชั้นโทชั้นเอนะเนกอะไรว่าธรรมวิภาคคือพัทธธรรมวินนะัยนอยู่ที่ไหนบ้าเนี่เป็นเราเปิดนวโควานาแรกทำอุปาละมาสองอย่างสติปันลึกได้สำหรับชัญญาความรู้ตัวออยู่ในตำราอยู่ที่ไหน สติความระลึกได้สมบัชัญเดียวกัรู้ตัวเพราะว่าแต่ปากมันไม่ใช่มันเป็นภาษานกแก้วนกขนทองสติความระลึกได้ก็คลลือระลึกอยู่ในตัวของเราให้มีอยู่ในเราเห็นวิชากรรมฐานมาหาสติประฐา น, นาสูตรกายานุปัสนาสติประธานมีสติดูกายเอาสติมาไว้ในกายก่อนทําก่อนเคลื่อนก่อนไว้ให้รู้สึกตัว ละเลิกได้เมื่อจิตที่ใจที่มันคิดไปให้ระเลิกได้ผิดถูกยังไงจะหลงให้รู้สึก <c oughs> ผู้ใดมีความรู้สึกตัวผูนั่นมันก็อยู่บ้านพ่ออยู่ถิ่นของบิดาอ่นมีอุปการละมากความรู้สึกตัวมันก็อยู่ถิ่นของพ่ออ ย, อ, พ อ, อยู่บ้านพ่ออยู่บ้านแม่มันก็คลุ้มคลองอบอุ่นใจมันมีความรู้สึกตัวนี่พัฒนม มาไหวในเรายกตัวอย่างไม่น้อยเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ในคำภีร์แล้วในความรู้สึกตัวธรรมก็คือความรู้สึกตัวคือความดีที่เป็นกุศลสิ่งใดที่เป็นกุศลก็ทําให้มากสิ่งใดที่เป็นอกุศลคนละอกุศลคือความทุกข์ความบาปความโกรธโลภหลงมันเป็นอกุศลมันเป็นทุกข์มันเดีอดเดือดเราเนี่ยมีพระธรรมไหวพระธรรม สิ่งใดที่เป็นกุศลคือความฉลาตทำให้มีฉลาดดอกจากทุกไม่ใช่ฉลาดหลังแกคนอื่นแล้วแลกก้วเปรียบคนอื่นประฉลาดแบบนั้นมันไม่ใช่พระธรรมมันมันมันเป็นอวิชามันเป็นความโง่หลงมันเบียดเวียนกันในมหาสติปัฏฐานสุขกายญาณุปัฏนาสติปัฏฐานมสติรู้สึก ตัวดูกายใจของเราเนี่ยอย่าให้ไปอยู่ที่อื่นอย่าให้ไปอยู่ในตำรา่อย่าให้ไปอยู่ในกระดาษมาไว้ในตัวเราสิ่งใดที่เป็นกุศลมีอยู่ในกายในใจเรานี่ละความชั่วทําความดีอยู่ในกายในใจในวิจารเรานี้คนมีสติคนมีความรู้สึกตัวมันก็ละความชั่วมันก็ทําความดีจิตใจมันก็บริสุทธิ์แล้วไปมันก็เป็นพระธรรมหรอพระธรรมก็คุ้มครองแล้วอะไรบ้าง ไม่ใช่พระธรรมอยู่ที่ไหนแล้วบ่เนี่ยไม่ใช่สวดไม่ใช่อ้อนวอนแล้วเปล่สวดจนเท่าไหร่นั่งสวดอยู่นั่นแต่ว่ายังโกรธยังทุกข์อยู่มันก็ไม่มีประโยชน์มันอยู่ในตำรามันจะในคมภีเป็นภาษานกแก้วนกขนทองอืบางทีเราไม่ต้องสวดแต่เรานี่ละความชั่วทำความดีจิตบริสุทธิ์คน ม, มีความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ทําละชั่วอยู่แล้ว มันก็ทําความดีจิตก็บริสุทธิ์นั่นนะ่หละบางที่อาจจะเรียนหนังสือไม่ได้อ่านไม่ออกก็ไม่เป็นไรแต่ไปมีผมด้อยนะมาทำเอาไว้ในเรานี่ไม่ได้เรียนนักทำอะไรก็ตามท่องไม่ได้ว่าไม่ได้แต่ว่าละความช่วทําความดีทําจิตให้บริสุทธิ์ให้สะ อ, อาดอย่าให้มันลบลงลังอย่าให้มันเปเื่อยเฟื่องความโกรธความโลภความหลงเป็นการเปรเื่อยเฟื่องเป็นความเปเื่อยเฟื่องของจิต มันจะทํากิตให้เราเศอ้าหมองความโกรธความโลงความหลงเกลีดตัณหาลาค้านั่นคือทําให้จิตเศร้าหมองมันหลงมันลืมมันมืดมันจํากันไม่ได้เช่นเราโกรธอย่างนี้นะความโกรธเนี่ยมันจํากันไม่ได้มันมืดมันเรียกว่าอกุศลมันมืดมันทาให้ผิดขากันด่ากันทะเลาะกันทะเบียดเดียนกันด่าเห็ิ่งจัสมันละ ละออกไปให้มีความฉลาดคือกุศลคือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วเป็นธรรมศีลก็เป็นเป็นธรรมศีล ค, คือความปกตินั่นแหละปกติกายปกติวาจาปกติใจนั่นแหละใช่ศีลเป็นคำพูดหรอกนะศีลเป็นคำพูดมันเป็นแบบหนึ่ง <c oughs> ว่าได้แต่ว่าตัวยังมีศีลมันยังไม่ใช่ศีลจริงๆมันต้องอปกตินั่นแหละ ปกติกายปกติวาจาปกติใจก็คือพฤตธรรมนั่นแหละธรรมคือความปกตินั่นแหละสมาธิก็คือจิตใจที่ไม่สยบตันน่ะ <c oughs> มันไม่เป็นสยบตันแล้วมันไม่ฟูๆแฝงๆน่ะสมาธิมันเชื่องมันหมดทิษน่ะสมาธิคือจิตใจที่มันหมดพิษน่ะเรียกว่าสมาธิป <c oughs> <c oughs> ัญญาก็คือความรอบรู้นี่แหละ สำหรับรู้ในกองสังขารไม่ใช่รู้นอกตัวนะอะไรที่มันเกิดทุกข์เกจากละอะไรที่มันเกิดไม่ทุกข์เกจิจากสร้างสารรค์ขึ้นมานปัญญาละทุกข์ทำความชั่วทําความดีเป็นปัญญาในพระธรรมไหวพระธรรมอย่าให้ถูกตําลาใบลานคำพี้อยู่ในตัวเราในแล้เอามาไว้ในตัวเหล่านี้ไหวพระสงฆ์อย่าให้ถูกลูกถูกหลาน สองที่ไหนแเรวไปเลยแตนี่เราหลงไปจนแล้วในยุคอาจารย์ในยุคหลงพ่อพรศรัทธาก็ศรัทธาตัวคนไปซะหลั่งไหลกันไปแห่กัน ไ, ไปตามกันไปุงุงไปกราบไปไหว้ที่ว่าท่านจะให้อันนั้นใจเราให้อันนี้ใจเราหวังพึ่งทา่านแล้วความดีจากท่านท่านจะคุ้คมครองรักษาลรวก็เข้าใจอย่างนั้นไป จนจงกับเพี้ยนไปเสีแล้วไหว้พระสงฆ์ถูกเติลวงตาถูกลูกถูกหลานถูกถูกชาวบ้าน hmm. เอาดีจากท่านศรัทธาพระสงฆ์ก็สศรัทธาตัวบุคคลอะไรขนไปให้สาบไายเมื่อท่านเห็นไรไปก็เสียใจดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้หลงตัวหลงตนก็บุคคลพระสงฆ์ไม่ใช่ดุนไม่ใช่ก่อนพระสงฆ์ก็คือ <c oughs> <c oughs> คุณธรรมสี่ยา ทั้งที่เราสวดนั่นแหละสุปฏิปันโนปุจุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนั่นแหละสงสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าสุปฏิปันโนคืออะไรคือปฏิบัติดีปุจุปฏิปันโนคือปฏิบัติตนญาญาปฏิปันโนปฏิบัติออกจากทุกสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติสม่ำเสมอสมควรไม่ดีไม่ฟู่ไม่แฝงไม่ โง่ลงงมงายถูกต้องน่นลักษณะสี่อย่างนี่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เรานี่แล้วปฏิบัติ ด, ดีก็ปฏิบัติให้มันดีอย่าให้มันผิดถ้าว่าดีมันก็มีมันก็ใช่ได้แล้วดีอะไรทางกายก็ดีทั้งวาจาก็ดีทั้งใจก็ดีทําะไรลงไปคิดอะไรลงไปพูดอะไรลงไปเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสุภาษิตไม่เป็นทุกข์ภาษิตพูดแต่สิ่งที่มัน เป็นประโยชน์เพื่อกูนไม่ได้พูดสอเสียดไม่ได้พูดคำหยาบไม่ได้พูดเปิดเจอไม่ได้พูดตอปลิ้มพูดแล้วเกิดความสมัครใจไม่ขี้ดีเนี่ยปฏิบัติ ด, ดีกายก็ทําแต่สิ่งที่ดีเป็นคนชั่วไม่อหรักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดไม่อตัดตั ด, ดชีวิตไม่เบียดเบียนใครในกายในตัวของเรานี่ไม่เอาไปทําสิ่งอื่นที่มันเป็น ให้เรียนตนให้เรียนคนอื่นจาสตื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นนี่ปฏิบัติดีเยอะแยะไปหมดเลยนี่แต่ดีทุกคนในโลกเป็นคนทําดีคิดดีพูดดีคิดอย่างไรเสมอกันแตอนี่คนเรามันจเจริญในความคิดคิดจะมาโกรธคิดขึ้นมาโลกคิดมาหลงความโกรธความโลกความหลงนอนอยู่กับความคิดให้รู้จัดสลัดออกความคิด อะไรไปคิดทั้งหมดแล้วคนทุกวันเอามาคิดทั้งหมดมันจะเลินคิดขึ้นมาเราผิดคิดขึ้นมาเราถูกคิดขึ้นมาเราหลักคิดขึ้นมาเราโกรธคิดขึ้นมาเราโลภขึ้นมาเราหลงเป็นสุขเั็นทุกข์เพราะความคิดแต่ใช่ความคิดในทางที่ผิดคิดโดยเฉพาะจิตใจเนี่ยวางขท่านั้นนีแต่วางเอาไม่ได้ใจเนี่ยถ้าเอาก็ยิ่งเหืนแห้งยิ่งบกพร่องจิตใจไม่ต้องวางอย่างเดียว เสียสละอย่างเดียวไม่ใช่เอาถ้าเอาเราเหงาแท่งบุกพ้องขาดแคลนถ้าวางเราเต็มสมสมบูรณ์เพียงพอยิ่งเออในผสมปฏิบัตดิดีอยู่ที่ไหนเราไม่ใช่เป็นตัวบุคคลหรอกคือคุณธรรมอีกนั่นแหละคุณธรรมอีกนั่นแล้วปฏิบัติตรงตรงยังไตงตรงทุกต่อทุกจิตทุกอย่าง ตรงต่อสินตรงต่อธรรมตรงต่อเวลาตรงต่อบุคคลตรงต่อสถานที่คำว่าตรงน่คือไม่ผิดนั่นแหละซึตรงต่อกันตรงต่อสินต่อธรรมไม่ให้มันผิดจะคิดสิ่งใดจะพูดสิ่งใดจะทำสิ่งใดให้มันตรงจะผิดเพี้ยนจะจากสินจากธรรมตรงต่อบุคคลคนในโลกอย่าเบียดเบียนกัน ให้มีความซื่อตรงต่อกันตอหน้าสนับสนุนรับหลังต่งนินทางไม่ใช่ตรงอยู่เสมอตอมิตอเผื่อสามีปัญญาตรงต่อกันภรรยาลูกศิษย์ตรงต่อกันเื่อบาทพี่น้องตรงต่อกันขาด่านเมืองตรงต่อกันขาดเจาการตรงต่อรัชร้อนรัชร้อนตรงต่อราชการไม่มีอะไรที่จะต้องเบียดเบียนกันไม่ขมเหงไม่ลังแกไมแกลงแกองเกลงแกล ไม่คิดบางลำพลงเปิดเผยชีวิตอเป็นหนึ่งเดียวรักเดียวใจเดียวต้องตรงต่อบุคคลตรงต่อสถานที่อยู่ที่ไหนอย่าเบียดเบียนตอตรงต่อเวลาเวลาใดที่ทําอะไรอะไรมีระเบียบที่เราอยู่ร่วมกันเป็นสัดโลกจะตรงต่อเวลาเราไม่หน้าที่อะไรเราเป็นข้าราชการเป็นครูเป็ น, ปนตำรวจทหารเป็นชาวนาชาวไร่เป็น อาชีพกรรมกรต้องต่อเวลาอย่ากินเวลาอยากโงเวลาปฏิบัติตงปฏิบัติตอกจากทุกข์กันได้ที่เป็นทุกข์ออกให้เต็นอยากินเหล้าอยากสุบูรีอยาโกรธอยาโลภอยาหลงอย่าเบียดเบียนจะทําให้ตนเองเป็นทุกข์นั่นแหละออกให้เต็นนีมให้เต็นอาจจะนาทุกข์กันได้ นี่แล้วไม่ใช่ว่าถ้ากูไดโกรธกูตายไม่ลืมนะนกูลองโกรธนอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนมันน อ, อกไม่เป็นมันยึดมันไม่ใช่ปฏิบัติออกจากทุกบางทียิ่งเอาเสียด้วยทุกเนี่ยเราะว่ากันเราเขาว่ากันเร า, เร า, า, เ, ราเราไม่ยอมเราไม่ยอมทํากับเราอย่างนั้นทํากับเราอย่างนี้น่แบบนี้มันไม่ออกจากทุกมันมีแต่เอาทุกมาใส่หนักเบื้องอยู่างนั้นหน่าดำำํำขําเกียดหนาบุตรหนาเบึ้งอยู่างนั้น ออกนี้ไม่เป็นภาษาอะไรคำพูดคำจาก็หวั่นไว้เสแหละวแต่ยินได้เห็นอะไรก็หวั่นไว้เสียแล้วเอามาเป็นเรื่องทุกข์เรื่องสุขทั้งหมดแทนที่จะปล่อ ย, อยวา ง, วางปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสม่ำเสมอปฏิบัติสมควรสม่ำเสมออยู่ที่ไหนก็เหมือนกันมันไม่มีที่หลับอย่างสมมุติความคิดอย่างไร คนอื่นไม่เห็นเราก็เห็นมันไม่กล้คิดชั่วมันคิดไม่ได้มันไม่มีความหลับตัวเรานี่แหละเห็นตัวเรามากที่สุดจะคิดได้อย่างไรมันละอายนี่ปฏิบัติสม่ำเสมอมันเห็นอยู่นี่ไม่ใช่คนอื่นไม่เห็นเราก็ทำไปคิดไปไม่ใช่ปฏิบัติสม่ำเสมอซื่อตรงอย่างนั้นปฏิบัติตรงปฏิบัติสม่ำเสมอสมควร ไม่มีผูผูแฝบแฝบไม่มีสิทธิลับจะทําจะพูดจะคิดอะไรตัวเราเห็นตัวเราอยู่นี่ก็เรียกว่าปฏิบัติสมควรอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวเราแหละคุ ณ, ณธรรมอีกนั่นแหละนี่ประสงค์ไหวประสงค์เอาคุ ณ, ณธรรมของประสงค์สี่อย่างมาไว้ในเรามันก็พ้นจากทุกขังปวงเลยพุกขังเสนงกฉามีทั้งมังเสนงกชามีทั้งขังเสนงกฉามี ข้าพเจ้าอาศัยสาระนี้แล้วจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้อื่อารัตน์นัดใไม่ใช่อยู่ที่ไหนแล้วบัดนอยู่ที่ตัวมนุษย์ทุกคนทุกชีวิตไม่หาที่อื่นไม่ไปหาที่อื่นไม่พกต้องมีอยู่ในตัวเราอามาไว้ในตัวเราออมาไว้ในตัวเราเรียกว่ามีที่พึ่งก็หมายถึงคนมีดีนั่นแหละคนมีดีนั่นแหะ คนมีดีแล้วคนมีที่พึ่งพึ่งติดแท้ก็พึ่งความดีของตนนั่นแล้วคนไม่มีดีจะไปพึ่งสิ่งอื่นไปแขยนเอาพระมาแขยนคอพระเครื่องรุ่นกูให้มึงรุ่นมึงกูทำเองมันไม่ใช่แต่ถ้าทาแขวนถ้าเราไปทาชั่วไปคิดชั่วไปพูดชั่วมันก็ไม่ใช่ครับจริงๆเราต้องพึ่งตัวนี้พึ่งความดีของเรา เรามีดีเคาจะไปฆ่าสมมติว่านะเขาปืนมายิงไม่เข้ามันดีไหมผม เ, เม็ดฟันไม่เข้ามันดีไหมมันยังไม่ดีเขายังยิงเขายังฟันหัวอยู่แสดงว่าคนนั้นยังเป็นคนไม่ดีเอาให้เขาจันว่าเขาไม่กล้ามาฟันมาฆ่าเรานอนแล้วจึงเป็นคนดีถ้าก็ายังปันยังตามล่าตามฆ่าเราอยู่แม่เราจะแขน ถ้าห้อยคอรุ่นครูให้มึงก็ยังไม่อยู่ไม่ไม่ดีหรอกแชงแค่ไม่ได้เราต้องมีดีนะไปทําอะไรมาเขาจึงมาฆ่าเราต้องคอยทําชั่วสิไปด่าเขาไปกดไปโกงเขาไปเบียดเบียนเขาถ้าเราทําดีอยู่แล้วเนี่ยไปไหนก็สบายใจแต่ถึงคามันก็ตายก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้เป็นความผิดของเราแต่เราทําดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้ว มันคิดมันพูดมันทําดีอยู่แล้วมันก็จําเป็นถึงข่าว ม, มันก็ต้องตายทุกคนก็ต้องตายตายแน่นอนยืดของเราไปทุกข์ทำไมไปกลัวทำไมเราทําดีอยู่นี่ยเป็นเราเป็นคนดีต่อพ่อต่อแม่ลูกเป็นคนดีต่อพ่อต่อแม่นนแมทําดีทุกอย่างทําดีมันตลอดไม่ได้มีความขาดตกบกพร่องในฐานะที่เป็นลูกนะเราทําดีมาตลอดตลอด ช่วยเปิช่วยแม่จนสุดความสามารถแต่พอแม่ล้มหายตายไปก็ไม่ใช่ความผิดของเรามันไม่บกคล้องมันภูมิใจโอ้ยเราก็ทําดีมาแล้วพ่อแม่อะไรๆก็เยียวยารักษาจนหมดความสามารถพ่อแม่ก็ไม่มนชีวิต อ, อยู่กันลบลราเราก็ไม่ใช่จะทุกข์นะลองทําดูสิไม่ทุกข์จริงๆพ่อแม่ล้มหายตายจากไปเราทําดีสุดฝีมือของเราเหลือวิสัยของเรา เขาก็ไม่ทุกข์นะไม่ทุกข์จริงๆถ้าเราเป็นคนดีนะแต่ถ้าเราเป็นคนเลวเกิดมาขาดไม่ได้ทำคนดีกับพ่อกับแม่ไม่ได้ช่วยพ่อช่วยแม่เลยมี่แต่เป็นคนช่วทําให้พ่อแม่เป็นทุกข์ด้วยพอพ่อแม่ลมหายตายไปก็คิดแล้ววัาเสียอกเสียใจ น, นั่นทุกข์แน่นอนถ้าเราเป็นคนดีเระอะไรก็ตาม เราเรกพอเราแง่เราเป็นคนดีรักลูกรักเมียเราเป็นคนดีรักพี่รักน้องเราเป็นคนดีอย่าทำตัวเองเป็นคนชั่วอย่าไปคิดชั่วอย่าไปพูดชั่วอย่าทำตัวเองให้เป็นทุกข์นะรักลูกรักเมียก็อย่าทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นะบางทีเรารักลูกรักเมียก็คิดอันนั้นมันกิดนะจนนอนไม่หลับจนสดดุ้งนี่ตกกังวลคิดอยู่สุขภาพก็ไม่ดีเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหายใจไปไม่ดี รักลูกรักเมียรักครอบรักครอบก็ต้องอย่าทําตัวเองให้เป็นทุกข์นั่นแหละอย่าทําตัวเองให้เป็นทุกข์นั่นแหละแต่เบียเดเบียนต้นนั่นแหละกินให้มันได้นอนให้มันหลับจะได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะอยู่กับลูกกับเจ้านานๆไม่ใช่คิดนะ่ะอันคิดมันไม่ใช่ลหลักมันเดียเดเบียนตนเองมันเป็นบาปรักก็ทําตัวเองให้เป็นสุขจะทุกข์นั่นแหละ ใครก็ตามรับผิดชอบตัวเองพ่อแม่ไม่ใช่อยู่ที่ไหนนี่พ่อแม่นั่งอยู่กับเราพี่น้องทุกคนก็อยู่กับเราเราจะเป็นคนชั่วเราจะคิดชั่วจะทำชั่วเป็นคนดีนี่อยู่ที่ไหนก็อยู่ด้วยกันนะไม่ใช่พ่อแม่อยู่บ้านเรานั่งอยู่นี่ไม่ใช่เราอยู่ที่ไหนเราก็เป็นคนดีทำหน้าที่ถูกต้องพูดดีคิดดีทาดีแล้วคนชั่วทาความดี นี่นไหวพระพุธจะให้ถูกต้องคำไหวพระธรรมจะให้ถูกตำราคำพี้ไหวก้อยจงอย่างถูกคนหลูกคนล้านถูกหลูกชาวบ้านเอามาไหวในตัวเรามีคนธรรมอยู่กับตัวเราเรามีดีกับเพึ่งดีได้แล้วเราคนมีดีก็พึ่งดีแล้วแันไม่ใช่ขึ้นสิ่งอื่นวัตถุอื่ น, น, นมันคนใจดีก็คือคนมีบุญแล้วกันคนใจชั่วก็คน ค, คนมีบาปแล้วกัน บาปก็คือทุกขนั่นแหละบะบุญก็คือใจที่มันดีนั่นแหละไม่เปลียนใครใจมันก็ดีแล้วบะไม่มีอะไรที่เป็นข้อขาดตกปกป้องทําดีทำดีบางทีฝึกสองที่ได้ข่าวว่าปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติออกจาทุกข์ปฏิบัติสมควรนั่นแหละมันก็มันก็ดีแล้วบะมันก็คือทุกคนนั่นแหละบะถ้าทุกคนเป็นคนดีแล้วบะ ทุกคนมารับผิดชอบดูแลตัวเองนะ่ยเกีนสุขภาพร่างกายไปดูไปจะไปให้หมอดูแลให้มันก็ไม่ดีนะต้องดูแลตัวเองอะไรที่มันจะเกิดโครคภัยไข้เจ็บเราก็งอกระเรีนจ้าแล้วก็ดูแลตัวเองไม่ใช่ให้หมอมาดูแลเราเราดูแลตัวเราเองนะมันก็มีดีแล้วบัดมันก็ปลอดภัยแล้วบัดทุกชีวิตในโลกถ้าคนในโลกมารับผิดชอบตัวเอง ลานเมืองก็จะสงบร่มเย็นเพียงพิษตาเดียวไม่ใช่ตัวบทกฎหมายไม่ใช่กองทัพไม่ใช่สตอาอาวุธแต่ทุกคนในโลกมารับผิดชอบตัวเองอยู่แลตัวเองรับคนช่วยทำคนดีมันก็สงบเพียงพิษตาเดียวนี่เรีว่าพลเ ร, รือนตรายนีจากนี่ไปไม่ได้เป็นสัดน้าแหงอนำยุคสมัย ไม่ล่าสมัยพุทธังสนังอัจฉามิธรรมังสนังอัจฉามิสองังสนังกัจฉามิเป็นศาสนาชั่นนําทนต่อการศึกษาแม้ว่าโลกเขาจะไปถึงไหนก็ตามสมัยใหม่สมัยไหนก็ตามเทคโนโลยีจุกคอมพิวเตอร์มันก็หนีจากภาวะนนี้ไม่ได้เพราะความจริงมันอยู่ตรงนี้โดยการตัดพทัทธธรรมตัดไว้ดีแล้วตรงแล้วจะมาเพิ่มอีกไม่ได้จะมาตัดออกก็ไม่ได้มันพอดีเลย มันพอดีแล้วมันตรงแล้วมันเพิ่มไม่ได้มันเติมไม่ได้ตัดไว้ดีจริงๆนี่วันนี้จากพระพุทธธรรมพระทระงไม่ได้เป็นลัตตนาะเป็นชรณะนะเป็นที่พึ่งสรุป แ, แล้วก็คือพึ่งเนี่ยพึ่งตัวเราเนี่ยอยู่ในตัวเราเนี่แหละพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีคือคุณธรรมไม่ใช่วัตถุไม่ใช่ดุ้นไม่ใช่ก้อน อันนี้เราออกเป็นดุนเป็นก้อนไปจ้าศรัทธาคําสอนก็ไม่ใช่ศรัทธาคําสอนไปศรัทธาบุคคลไปช่วยบุคคลเอาอะไรไปกองให้จนพุ่งจนเฟอ้อไม่ใช่ศ ร, รัทธาพัตนาใจไม่ใช่บํา ร, รุงพัตนาใจพรรัตนาใจสุอความดีให้คนมาลุ้นนี้ไม่ใช่ไปบำรุงบุคคล แต่นี่ยเอ า, าศาสนาไปไหว้กับตัวบุคคลรัตนะไปไหว้กับตัวบุคคลหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่รัตนะทยคือตัวบุคคลไปเสร็จแล้วมันเพี่ยนไปเสิ็จแล้วนี่นนี่เขาลูบหลวงตาไปเป็นพระประธานไปก็มีอรูบพระหลวงพ่อองค์นั่นหลวงพ่อองค์นี้ไปเป็ น, เ ป, น, น, น, นปเป็นปนั่งโต๊ะหมู่ไปเสร็จแล้วแยี่งที่นั่งพระพุทธเจ้าไปเสิ็จแล้วไปกราบไปไหว้ดีกว่าไปกราบไปไหว้พระพุทธเจ้าเสิ็จแล้ว ที่แท้ก็คือพระธรรมให้ระลึกถึงพระธรรมยิ่งได้ศึกษายิ่งรักพระธระรมพระสงฆ์ไม่ใช่รักครูบาอาจารย์อง น, นั้นหลวนี้คนแล้วชอบก็แห่กันไปคนแล้วโกรธก็เกลียดกันไปมันก็อยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่ปรัชญาตายปรัชญาตายแท้ๆก็คือคุณธรรมนั่นแหละขอพูดจากนี้ยังเป็นคำโทษ ให้พอฟังก็ฟังเฉยๆจะไปหลงเชื่อจะไปลังเกียดจะไปศรัทธาคนที่พูดคนที่พูดก็เป็นคนธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ว่ามีความคิดอ่านแบบนี้อ่ามีสิทธิ์ที่จะคิดได้อย่างนี้แล้วก็พุ่มได้จริงๆสําหรับคนที่พูดเนี่ยเข้าใจมาจากนี้รู้ได้อย่างนี้สัมผัสอย่างนี้ก็ไม่มีทุกข์จริงๆหรอกไม่เบียดเบียนใครจริงๆหรอกนบ ไม่กลัวไม่ไปไหว้ผีเป็น ไ, ไปไหว้เทวดาที่ไหนไมนไปไหว้จอมปลวกไม่ไปไห ว, ว, ว้ต้นไม้ใหญ่ไม่ได้กลัวเลยบนี้กลัวแต่ความชั่วนั่นแหละวะกลัวจริงๆความชั่วความทุกข์ไม่ให้มีแล้วบะเนี่ยไม่เบียดเบียนใครแล้ววะไม่เบียดเบียนตนเดมแล้ววะคนที่พูดเนี่ยเขาพูดอย่างนี้ครับจะไปศรัทธาคนที่พูดจะไปลังเกียจคนที่พูดก็ฟังแล้วก็ไปความเป็นธรรมไปทําดูไปปฏิบัติดูมันดีไหม แต่มันดีมันเป็นประโยชน์เพิ่งได้เออนั่นไปสถาปธรรมโนดกับพระวัคคณิสัาดิบุตรเป็นอุปจิสมานุแต่แย้งหาหมฆธรรมกับหมฆคันลานะเป็นตุ่มเจ้าสำลานสองคนเนี่ยเป็นหนุ่มเจ้าสำลานเกิดเครื่องที่ไหนไปที่นั่นดีสีีิเป้าที่ไหนไปที่นั่นเพลงที่ไหนไปที่นั่นไอ้รางวัลเจ้านางลำนางเต้นตลอดเวลาแต่วันนั่นพากันดูนางลำ สารีบุตรไม่ได้ไม่ได้ให้หลังหวนนั่งพิจารณาเอ๊พวกมันเต้นมันลำอยู่างนี้มันก็ไม่ เ, เที่ยงเลยเด๋ยวเดียวมันก็ต้องเข้าต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเราจะมาดูอะไรกันดีชวนโมกนลาไปหาศึกษาละไปปฏิบัติไปอยู่กับอาจารย์สนใจเรียนที่นั่นจนจบยังไม่พอใจไปหาที่ใหม่ออกจากที่นั่นสารีบุตรก็ไปเจอพระอัจารย์ซึ่ง บวชใหม่ๆเป็นในปัญจักวีทั้งห้ากำลังบิณฑบาตอยู่แถวสาวัตถีและที่บวชก็เห็นข่าก็สัทธาเอสมณรูปนี่เป็นใครนอมาจากไหนท่านรู้ทำอะไรใครเป็นครูของท่านเนา อ, อยากจะถามแต่ว่าไม่ได้ถามขณะที่บิณฑบาตเพียงแต่ตามไปพออาจา์ที่บิณฑบาตพ้นจากหมู่บ้านก็เข้าไปลำ บ, บากตามพาไปท่านประสงค์จะทันที่ไดจงบอก เมื่อก่อนไม่มีวัดอขอมขนต์จากบ้านไปปัจจุก็ต้องการฉันที่นั่นพอฉันเสร็จปัจจุบันก็สาทธุโภก็นั่งอยู่แล้วฝากร้ของขอถามท่านเป็นใครท่านมาจากไหนใครเป็นครูของท่านครูของท่านสอนเรื่องอะไรปัจจุบันก็บอกว่าอรตมาเป็นภาพบทใหม่ยังพูดอะไรไม่ได้ไม่พูดมากก็ได้พูด น, น้อยก็พอก็เออ อาตชิจะเลยตัดเป็นคาถาว่า เ, รรเหตุธรมมาเหตุตุกวาเสสองเหตุตรงตถาคโตเหตสัญจะตุนิ โ, โรธจะเอวังวาธิมหาสุนโนบานพาได้ความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแต่เหตุจะดับประดับที่เหตุสมณะโคดมเนครูของเราสมณะโคดมสอนอย่างนี้เราก็รู้อย่างนี้ สี่สุดปฏิสะมานกคือสาริบุตรก็เห็นธรรมไม่ว่าดวงตาเห็นธรรมหรือลู้ตามเห็นตามเพราะคนมีปัญญาอยู่แล้วนะก็ลเลยเกิดปัญญาขึ้นมาขณะที่ได้ยินคำพูดอย่างนั้น